ทุกเชา้าเราก็สาธยายสิ่งที่เป็นความจริงของชีวิตโดยเพราะสิ่งที่เราเรียกว่าทุกข์เราถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วเรามีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอันนี้เป็นข้อที่น่าคิดมาก แล้วก็เป็นข้อเตือนใจนสำหรับทุกคนโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าทุกวันนี้ฉันก็สบายดีอยู่แล้วทุกวันนี้ฉันก็มีความสุขดีอยู่แล้วน ะ, นะไม่เห็นต้องจะมาขนขวายปฏิบัติธรรมอะไรเลยนะอันนี้ก็พึงระลึกไว้ว่า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 รอโอกาสแสดงตัวเมื่อไหร่ในร่างกายของเรานี้ถ้าเราตรวจเอาจริงๆ้วนะก็อาจจะพบว่ามีเชื้อโรคเยอะเผอๆมีเซลล์มะเร็งอยู่ด้วยเป็นแต่ว่ามันยังไม่แสดงตัวหรือแสดงอาการออกมาเราก็เลยยังมี เราก็เลยยังสามารถที่จะดำเนินชีวิตตามปกติได้แล้วเราก็เรียกว่าเพราะฉะนั้นว่ามีสุขภาพดนะีแต่ว่าไม่ได้แปลว่าไม่มีโรคนะมันมีแต่ว่ามันแฝงอยู่ที่เราเรียกหรือเรานึกว่าเรามีความสุขก็ไม่ได้แปลว่าเราปราศจากทุกนะเป็นแต่ว่ามันยังไม่แสดงตัวออกมามันก็รอ หล่อโอกาสหรือว่าโชคโชวยโอกาสที่จ ะ, สะแสดงตัวปรากฏตัวโดวยเพราะในยามที่เราเผล อ, อเพราะฉะนั้นเนี่ยจะประมาทไม่ได้ก็ต้องพยายามทำความเข้าใจนะกับสิ่งที่เรียกว่าทุกมีนักเขียนคนหนึ่งนะเขาพูดถึงทุกนี่เอาไว้ดี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 เรียกว่าตามติดเรามาตลอดนะเรียกว่าคบหาเราตั้งแต่ตั้งแต่เกิดจนตายเลยก็ว่าได้เป็นเพื่อนแท้แต่ก็มีนิสัยประหลาดอยู่อย่างอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเราเบื่อเพื่อนคนนี้นะเขายิ่งอยากจะเข้ามาหายิ่งอยากมาคลอเคลียด้วยนะ แต่เวลาเราเข้าใจเขานะเขาก็กลับจะหายหน้าไปจากเรามาเยือนบ้างเป็นครั้งคราวนะเวลาเราเบื่อนี่นะเราลำคาญหรือแม้กระทั่งเราชังเขาเนี่ยนะเขายิ่งมาใหญ่เลยแต่เวลาเราเข้าใจเขานี่โอเขาเขาจะหายไป อยู่เป็นครั้งเป็นคราแล้วก็หายไปแล้วก็เดี๋ยวก็มาใหม่แล้วเดี๋ยวก็ไปนะเหมือนกับว่ายิ่งอยากผลักไสกลับยิงเข้ามาแต่ว่าพอเราเ อ, อรู้จักเขาดีไม่ได้มีความชิงชังอะไรเขานะเขานี่กลับจะเหินห่าง ในเวลาที่เราไม่อยากจะให้เข้ามานะเขาก็มาสุดลึกเกินนะแต่เวลาที่เราไม่รู้สึกลาคาญอะไรก็เลยนะเขาก็ไม่รู้หายหัวไปไหนนั่นเป็นนิสัยที่ประหลาดแล้วก็ น, นิสัยอย่ันก็คือเจ้าชู้นะก็คือว่าไม่ว่าใครในโลกนี้นี่เขาไปยุ่งหมดเลย ไปยุ่งกับทุกคนในโลกนี้นะโดยไม่เลือกว่าจนหรือรวยนะไม่เลือกว่าจะสวยหรือว่าไม่สวยนะหนุ่มหรือแก่นะไปยุ่งหมดนะไม่มีใครที่ไม่เสร็จนะเจ้าเพื่อนคนนี้นะขณะเดียวกันนะก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เราหลงไหลไอ้เจ้าทุกนี่เราไม่ค่อยชอบนะ แต่เราชอบอีกคนหนึ่งจะเรียกว่าน้องสุกก็ได้นะน้องสุกนี่เราทุกคนนะก็หลงไหลน้องสุกนะแต่ว่าน้องสุกนี่ก็ชอบเล่นตัวเหลือเกินเดี๋ยวเราเป็นคนขี้ตกใจด้วยก็ได้เวลาเราเข้าไปหาเขาเขายิ่งถอยหนีนะเขายิ่งถอยหนีขี้ตกใจมาก นะแล้วก็บางทีก็เหมือนกับเพื่อนเทียมก็คือว่าชอบชวนให้เราหลงไหลชอบพาเราไปสนุกสนานเพลิดเพลินแต่ว่าถึงเวลาเวลาเรามีปัญหาจะชอบทิ้งเรานะเวลามีปัญหาเนี่ยทิ้งเรานะเวลาเราเดือดร้อนก็ทิ้งเรานะหรือบางทีเวลาเรา เจ็ป่วยขึ้นมาก็ทิ้งเรานะไม่มาอยู่เป็นเพื่อนอย่างที่เพื่อนที่เป็นมิตรแท้นี่ควรจะเป็นนะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เหมือนกับจะตรงกันข้ามกับเพื่อนที่ชื่อว่าทุกนะเพื่อนที่ชื่อว่าทุกนี่เรียกว่าตามติดเรามาตลอดนะ ยิ่งวเวลาเราเจ็บเราป่วยด้วยนี่ยิ่งนะมาเกอกแก่เรามากเป็นพิเศษอันนี้เป็นเป็นเป็นการเปรียบเทียบที่ทน่าสนใจนะเพราะว่ามันทำให้เราเห็นลักษณะที่แตกต่างกันของความทุกข์และความสุขนะคราวนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ ก็วนเวียนอยู่กับหรือบางทีก็ปวดหัวอยู่กับนิสัยแปลกแปลกนิสัย ป, ประหลาดของเพื่อนที่ชื่อว่าทุกข์แล้วก็สุขนี่แหละนะแต่ว่ามันมีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่สําคัญมากนะเพื่อนนั่นชื่อว่าสตินะถ้าเรามีเพื่อนที่ชื่อสติเมื่อไหร่เนี่ย ความทุกข์หรือว่าเจ้าตัวทุกข์นี่นะจะสงบเสงี่ยมนะเวลาเวลาทุกข์มาเกาะแกะมายุ่งกับเราแต่ถ้ามีสติอยู่ด้วยนี่ทุกข์นี่ก็จะเริ่มเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มสอนธรรมให้กับเราละวก็จะมาสอนให้เราไม่ประมาทนะทิสัยก็จะเปลี่ยนไปเลย แต่ก่อนที่จะมารบกวนมาลังควา ม, มาก่อแก่เราก็จะกลายเป็นว่ามาสอนให้เราไม่ประมาทให้เราคอยระมัดระวังไม่ประมาทกับชีวิตในว่าจะเป็นเวลาเ จ, เจอความเจ็บป่วยหรือว่าเวลาเจอความลาบากนี่สอนได้เป็นตัวสอนให้เรารู้จัก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 เืนที่ชื่อสุขนี่ก็ไม่แน่ไม่นอนนะเราก็จะหลงไหลเขาน้อยลงนะพอเราก็รู้ว่าเขาก็มาแล้วก็ไปไม่มีความแน่นอนอะไรนะอันนี้ก็เริ่มแปลกนะคือพอเราไม่ค่อยไม่ค่อยไปหลงไหลเขาแล้วนะเขาก็กลับชอบมาเวียนมาหาเราอยู่เรื่อยๆ นันสติเนี่ยนะถึงเป็นสิ่งสําคัญมากถ้าเราไม่อยากปวดหัวนะกับพฤติกรรมแปลกๆของทุกแล้วก็สุขนี่การมีสติจะช่วยมากเนะีอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบนะของของนเขียนคนนี้เขก็เป็น ย, ยังหนุ่มอยู่เลยนะแต่ว่าเป็นแง่คิดสอนทำให้กับเราได้ดีนะทุกวันนี้เวลาเราพูดถึงทุก์เนี่ยเราก็ มองความทุกข์ด้วยความรู้สึกไม่ชอบนะมีความรู้สึกเป็นลบนะแต่ถ้าเราลองมองซหมายว่าเออเขาก็เป็นเพื่อนเรานะเป็นเพื่อนเราเหมือนกับที่เราควรมองคนที่ชอบลังแกเราคนที่ชอบอทำความทุกข์ใจให้กับเราว่าเขาก็คือเพื่อนร่วมทุกข์เหมือนกันที่เราควร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 นะความเจ็บก็ดีความป่วยก็ดีมันทำความทุกข์กายก็จริงนะแต่ว่าก็ไม่จาเป็นว่าจะต้องทำความทุกข์ใจให้กับเราคนเราส่วนใหญ่เนี่ยเวลาป่วยแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ทุกข์กายอย่างเดียวนะทุกข์ใจด้วยเพราะว่ามีความคาดหวังมีความคาดหวังว่าฉันไม่น่าเป็นฉันไม่น่าป่วย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 แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราป่วยหรือเวลาเรามีความทุกข์เนี่ยใจเราก็กัดกกลุ้มขุนเคืองนะเราก็เลยถูกความทุกข์ซ้ําเติมหรือเหมือนกับว่าถูกความทุกข์นี้รังควานหนักขึ้นผู้ที่ฉลาดเนี่ยต้องรู้จักนะเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรนะบางคนนี่คิดว่าศัตรูนี่ต้องกําจัด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 ศัตรูก็หายไปเป็นการกำจัดศัตรูโดยที่ไม่ใช้ศาสตราไม่ใช้อาวุธไม่ใช้ความรุนแรงนะเป็นการกำจัดศัตรูด้วยสัน ต, ติวิธีวิธีรับเมื่อความทุกข์ก็เช่นเดียวกันนะไม่ว่าความทุกข์ที่เป็นความแก่ความเจ็บความป่วยความพัดพรากนะในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่มีใครที่หนีพ้นนะเราไม่ชอบ แต่เราไม่มีทางหนีพ้นอย่างดีก็แค่ชะลอหรือว่าหนีให้นานที่สุดแต่ในที่สุดก็ต้องเจอเมื่อเจอแล้วนะถ้าเราไม่รู้ไม่รู้วิธีที่จะจัดการกับเขาคิดแต่จะหนีอย่างเดียวหรือคิดแต่จะเอาชนะอย่างเดียวเราจะทุกข์เพราะว่ายิ่งเอาชนะนะก็ยิ่งพ่ายแพ้ นั้นวิธีที่เราพึงจัดการหรือท่าทีที่พึงมีก็คือว่าเปลี่ยนให้กลายเป็นมิตระหรือว่าเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นธรรมะซะนะถ้าเราเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นธรรมะนะเราจะไม่กลัวทุกข์อีกต่อไปนะทุกข์ก็จะกลายเป็นของดีนะจะกลายเป็น อาจารย์ที่สอนให้เรารู้จักพัฒนาปรับปรุงตัวสอนให้เรามีปัญญาเพราะถ้าเราไม่มีปัญญายังมีความหลงเราก็จะยังมีความคาดหวังที่ผิดๆเช่นคาดหวังว่าฉันต้องไม่แก่มีความคาดหวังหรือยึดมั่นว่าฉันต้องไม่ป่วย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 ความทุกข์ก็จะมาสอนเราด้วยบทเรียนที่หนักหนาสาหัสนะหรือจะพูดย่างคือว่าจะถึงกับเขี่ยวเข็นเราหรือว่าโบยตีเราได้ซ้ำเพราะเวลาเราเจอการบ้านและเราทำไม่ได้นะครูที่ดุก็จะตีเรา สมัยที่จะมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนนี่ตอบเลขผิดสักข้อหนึ่งก็ถูกตีนะขีดเส้นไม่ตรงก็ถูกตีเส้นจดหมายนะเส้นซองจดหมายสมัยเด็กๆนี่เวลาวิชาจดหมายนี่เราก็ต้องขีดเส้นเป็นซองจดหมายด้วยทั้งๆที่ในความเป็นจริงเราก็ไปซื้อเข้ามาแต่ว่าในวิชานี้ก็ต้องขีดเส้นเป็นซองจดหมาย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 เวลาของหายเราทําใจไม่ได้เราก็ยังหวงคิดยังหวนคิดถึงของที่หายทั้งน้นที่มันเป็นอดีตไปแล้วหรื อ, อยังยึดมาว่ายังเป็นของชั้นของชั้นทั้งทั้งที่มันเป็นของใครไปแล้วก็ไม่รู้อันนี้ก็แสดงว่าเราหลงเราโง่ความทุกข์ก็จะโบยตีเราก็คือเจ็บปวดทุกข์แต่นั้นก็ยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าของนี่ หายไปก็ซื้อหาใหม่ได้นะแต่บางอย่างนี่สูญไปแล้วนี่เอากลับมาไม่ได้แล้วเช่นความตายของคนที่เรารักหรือว่าร่างกายอาวัยวะของเราที่พิการไปหรือสูญหายไปนะถ้าคนที่มีปัญญา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 เสียคนรักไปแล้วก็ยังเศร้าโศกเสียใจนะถูกความทุกข์นี่เคียนตีบางทีเป็นปีๆเลยนะไม่ยอมเลิกไม่ยอมสา่งจนกว่าจะฉลาดฉลาดเมื่อไหร่คือยอมรับได้ว่าเออใช่สินนะมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเลยคนี้พอฉลาดแล้วเนี่ยความทุกข์ก็ไม่เคียนตีแล้วนะ ถือว่าเราฉลาดขึ้นคราวนี้พอเราเจอโจทย์ที่ยากกว่าเดิมเช่นถึงเวลาที่เราจะต้องตายเนื่องจากเราได้รับบทเรียนจากความทุกมาเราฉลาดขึ้นเราไม่ตีโพลตีพายเรายอมรับได้ว่ามันเป็นธรรมดานะสิ่งที่เกิดขึ้นมาตามมาคือความสงบความสงบเย็น แม้ว่าร่างกายจะป่วยนะแต่ว่าใจนิสงบได้นี้ถ้าเรามองเรามีท่าทีต่อความทุกข์แบบนี้เนี่ยเราจะขอบคุณความทุกข์ได้ซ้ำเราจะขอบคุณความทุกข์ที่ทำให้เราฉลาดอาจารย์พู้ทธาบอกว่าเนี่ยป่วยทุกทีก็ฉลาดทุกทีป่วยทุกทีก็ต้องฉลาดทุกที ท่านสอนว่าความเจ็บป่วยมาเตือนให้เราฉลาดถ้าเราป่วยทุกทีเราก็ทุกทุกทีนี้แสดงว่าเรายังโง่อยู่เรายังขาดมิตรแท้ก็คือสติเรายังขาดมิตรแท้อันนี้ก็คือปัญญาแต่สติแล้วก็ปัญญานี้ก็ไม่ได้มาจากไหนก็มาจากาทุกนี้เองทุกนี้ทําให้เราเนี่ยต้องขวนขวายหา หาสติหาปัญญามาเป็นเพื่อนซึ่งตรงข้ามกับสุขนะเวลาเวลามีสุขเนี่ยเราจะไม่นึกถึงสติเราจะไม่นึกถึงปัญญาเลยซึ่งอันนี้คืออันตรายเพราะว่าพอคนเราไม่มีสติไม่มีปัญญาแล้วนี่ความเสื่อมก็เกิดขึ้นได้ง่ายนะสังเกตไหมเวลาเรามีความสุขนี่นะเราจะเพลิดเพลิน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 พรุนี้อาจจะเกิดอุบัติเหตุกับคนรักก็ได้เมื่อคืนนี้ธุรกิจอาจจะล้มละลายเพราะว่าเศรษฐกิจผันผวนอย่างหนักทั่วทั้งโลกนะอะไรที่สร้างเอาไว้สามารถจะล้มพังคลืนได้อย่างรวดเร็วนั้นถ้าเราไต่ตรองดูก็รู้ว่าทั้งหมดที่พูดมานี้เป็นไปได้แล้วมันก็เกิดขึ้นแล้ว แต่เพราะว่าเพลิดเพลินในความสุขเนี่ยก็เลยประมาทนะคนที่ประมาทอย่างนี้แหละที่ความทุกข์นี่ชอบนักแรนะ่จะเข้ามาจู่โจมและมักจะจู่โจมในเวลาที่ไม่ทันตั้งตัวด้วยความทุกข์เป็นอย่างนี้นะชอบจู่โจมในเวลาที่เราไม่ตั้งตัววันสิเบเอกันยาศูนย์หนึ่งนะวันนั้นเป็นวันอังคาร ท้องฟ้าสดใสามากนะเป็นวันที่ทุกอย่างน่าจะเป็นไปตามปกติอากาศก็ดีนะ ท, ทั้งทั้งที่เป็นเดือนกันยาแล้วแต่ปรากฏว่าจู่ๆเครื่องบินสองลำก็พุ่งมาชนตึกวอลเทสกลางกรุงนิวยอร์กเนี่ยคนนิวยอร์กบอก ว, ว่าเช้าวันนั้นอากาศดีมากเลยไม่ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะกลายเป็นนรกแล้วก็ มาสิปีนะควันหลงหรือว่าผลพวงจากเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ยังบีบคั้นจิตใจผู้คนจนทุกวันนี้หลายคนมาเพราะว่าตัวเองเป็นมะเร็งก็ในขณะที่กำลังมีกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นของชีวิตนะกำลังมีความสุขลูกก็น่ารักนะภรรยาก็ดี ธุรกิจก็กำลังสวยเป็นมะเร็งพอเจอแบบนี้เข้าก็จะโกรธแค้นโกรธแค้นชะตากรรมทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นอา่าต่เาก็พบหลายคนมากที่มีชีวิตที่ราบลื่นแต่พอป่วยทำใจไม่ได้อยากจะตายท่าเดียวเพราะว่ามะเร็งนี่มันเล่น ง, งานหนักมาก อันนี้ก็เรียกว่าถูกความทุกข์นี่มันเล่นงานมันชอบเล่นงานทีเผลอนะแต่ว่าแม้กระทั่งในสภาวะเช่นนั้นเนี่ยก็ยังไม่สายนะที่จะเปลี่ยนความทุกข์ให้ให้เป็นมิตรในแง่ที่ว่าหาประโยชน์จากเขาหรือว่าเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นอาจารย์ ที่มาช่วยสอนให้เรามีความฉลาดมีความเข้าใจธรรมะมากขึ้นจะทำเช่นนั้นได้ต้องอาศัยสตินะเพราะถ้าไม่มีสตินี่จะอาจจะทุกข์ซ้ำสองซ้ำสามด้วยมีคุณป้าคนหนึ่งก็ป่วยอยู่หลายครั้ง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 ที่หมอพยากรเอาไว้อันนี้ก็เพราะว่าความความทุกข์ใจนะไม่สามารถที่จะยอมรับความจริงอันนี้ได้ก็ทำให้ใจนี่กังวลวิตกไปถึงอนาคตทั้นที่วันนี้นี่ก็ยังทำอะไรได้อยู่แต่ว่าใจนึกไปถึงสามเดือนข้างหน้าแล้วว่าฉันจะอยู่อย่างไรใครจะดูแลฉัน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 แล้วก็ทำใจไม่ได้ไอความทุกข์พื้นฐานคือทำใจไม่ได้หรือไม่อยอมรับความจริงว่าตัวเองเนี่ยจะต้องตายเพราะว่าไม่เคยนึกถึงเลยมีบางคนนะตั้งแต่จําความได้นี่ไม่เคยนึกจริงๆอย่างจั ง, จ ง, จ ง, จ ง, จงเลยว่าตัวเองเนยต้องตายสักวันหนึ่งท่านั้นที่ก็เห็นคนตายมาเยอะแต่ไม่เคยนึกว่าความตายจะเกิดขึ้นกับตัวเรียกว่าอยู่แบบลืมตาย แล้วซต์ทต่ทำให้คนอยู่แบบลืมตายเนยเพราะว่าเพลิดเพลินกับความสุขเพลิดเพลินกะับความเป็นหนุ่มเป็นสาวความไม่มีโรคไม่มีภัยความสะดวกสบายพอมาเจอความจริงเขาว่าตัวเองนี้กาลังจะตายทำใจไม่ได้อันนี้เรียกว่าถูกความทุกข์เนี่ยมันโบยตีซ้ำสองซ้ำสาม คือป่วยกายแล้วไม่พอยังป่วยใจอีกแต่ถ้าเกิดว่าเรายอมรับความจริงมีปัญญาเห็นว่ามันเป็นธรรมดาที่สักวันหนึ่งเราต้องตายในขณะที่เรายังมีสุขภาพดียังมีชีวิตที่สะดวกสบายก็เราลึกนึกถึงไว้นะ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 ในขณะที่กาลังจะสิ้นลมบางทีบรรลุธรรมจิตหลุดพ้นขณะที่หมดลมก็เรียกว่าสมาสีสีสนะก็คือว่าหมดกิเลสพอในขณะที่ที่หมดลมซึ่งแทบทุกกรณีเลยเกิดขึ้นกับท่านที่กำลังประสบกับทุกขเวทนาเจ็บป่วยหนักในพระไตรปิฎกนี้มีเรื่องราวเกี่ยวผู้ที่บรรลุธรรมในขณะที่กาลังจะตาย ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่เจ็บป่วยมากนะเช่นพระเจ้าสุโธธนะนี่พระก็เป็นพระอาหารหันนะแล้วก็พระติศสะนะที่ร่างกายพุพองไปด้วยแผลเต็มตัวน้ำเหลืองน้ำเหลืองน้ำหนองไหลไม่มีใครอยากดูแลจลงพระพุจาจาต้องเสด็จมาพยาบาลเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้เอาจีวรไปซักไปต้ม แล้วก็แสดงธรรมให้ท่านเห็นว่าสังขารร่างกายนี้ไม่เทียเ่ยงเมื่อเมื่อวิญญาณหลุดจากร่างก็ไม่ต่างจากท่อนไม้หาประโยชน์ไม่ได้พูดแค่ตัดแค่สองสามประโยชน์เท่านี้ก็บรรลุธรรมเป็นพระลรหรันแล้วก็สิ้นลมไปเลยอันนี้ก็เพราะว่าถูกเพราะว่าเห็นชัดเลยว่าร่างกาย สังขารเป็นอย่างนั้นจริงๆคือเต็มไปด้วยความทุกข์ทราบซึ้งใจประจักษ์แก่ใจว่าสังขารร่างกายนี้ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เลยมันไม่ใช่ของเราเลยจริงๆยึดไม่ได้แล้วก็ไม่น่ายึดด้วยพอเห็นเช่นนี้ก็เกิดปัญญาจิตหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์แล้วก็สิ้นลม อันนี้ก็เรียกว่าเป็นเพราะความเจ็บความป่วยมามาสอนให้ฉลาดคือสอนให้ปล่อยวางสอนให้หลุดจากความหลงว่ามันเป็นทุกข์ทั้งนั้นยึดถือไม่ได้และขณะเดียวกันก็ทำให้ยอมรับความตายได้ไม่ปฏิเสธความตายต่อไปเพราะรู้ว่าชีวิตไม่เป็นอนิจจังคือพอเป็นมิจ ก, กับความเจ็บป่วยพอเป็นมิจ ก, กับความตายแล้วก็ จิตก็สงบแล้วไม่ดิ้นรนนะไม่แสสายไม่เป็นทุกข์อันนี้คือวิธีการเอาชนะศัตรูนะความตายไม่ใช่ศัตรูของเราความตายไม่จาเป็นต้องเป็นศัตรูของเราก็ได้ความเจ็บป่วยไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูของเราก็ได้ความสูญเสียพัดพรากไม่จาเป็นต้องเป็นศัตรูของเราก็ได้เราสามารถจะเปลี่ยนาให้เป็นมิตรเปลี่ยนค่อ้เป็นอาจารย์ ด้วยการพิจารณาใครควรว่าเออมันเป็นธรรมดานะเขามาสอนให้เรามองสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดาและปัญญาหลังนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็จากการที่เรามาใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทการที่เรามาเจริญสตินะเพื่อที่เราจะได้เห็นความจริงของกายและใจ เพื่อเราจะได้มีสติเป็นที่พึ่งซึ่งสำคัญมากในการที่เราจะเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นธรรมได้ถ้าเรามีเพื่อนที่ชื่อสติแล้วนี่ความทุกข์ก็จะเปลี่ยนนิสัยนะกลายมาเป็นอาจารย์อย่างที่นักเขียนคนนี้เขาเขาเปลียนเปลือให้ฟังแต่นอกจากการปฏิบัติธรรมแล้วนะชีวิตประจำวันก็สำคัญนะเวลาเราเจอประสบเหตุ ไม่พึงปราถนาในชีวิตประจาวันเช่นของหายถูกเพื่อนตาหนิหรือว่าคนรักไม่เป็นดั่งใจอย่าเพลอปล่อยใจให้ทุกข์นะส่วนใหญ่เราปล่อยใจให้ทุกข์นะปใใกไปกับเหตุการณ์เหล่านี้แต่ถ้าเราฉลาดเราจะใช้เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมาเป็นการบ้านฝึกใจเรา ฝึกให้เรารู้จักปล่อยวางของหายก็หายไปแล้วจะไปยึดมั่นถือมั่นกับมันทำไมนะก็ปล่อยวางเพื่อนเขาว่าเราเขาตำหนิเรานะก็เห็นว่าเออจะเก็บเอามาคิดเอามาบีบขั้นจิตใจมาทิ่มแทงจิตใจทำไมทุกเปล่าเปล่าก็วางมันซะ อ, อย่างที่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 ให้คำตอบว่าคําตําหนิเนี่ยมันก็ฝึกใจเราให้ปล่อยวางได้เป็นการบ้านอย่างดีนะคนรักเขาไม่เป็นดั่งใจจะเป็นรูปเป็นสามีเป็นภรรยานะแล้วเราก็ทุกขึ้นมาแล้วเราก็เครียดว่าเป็นเพราะเขาแต่เราไม่ได้มองมาที่เราว่าเป็นเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นไปคาดหวังเกินไปหรือเปล่า อาจารย์ชาญพูดดีนะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยถูกทั้งนั้นแต่ที่เราทุกก็เพราะว่าเราเราวางใจผิดอาจารย์พูดดีนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยถูกทั้งนั้นแต่ที่เราทุกเพราะเราวางใจผิดถูกนี่หมายความว่าไงก็คือว่ามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยตามกฎธรรมชาติแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นไปตามกฎธรรมชาติมันไม่ได้ผิดกฎธรรมชาติเลย คือเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่เป็นเพราะเราไม่ยอมรับเหตุปัจจัยนั่นต่างหาเราก็เลยทุกข์อันนี้เรียกว่าผิดวางใจผิดฉั้นเวลาเราเจอเหตุเหตุร้ายที่ไม่พึงปรารถนาอย่างที่ว่าซึ่งเป็นเหตุการณ์ธรรมดาธรรมดาในชีวประจําวันของหายคนตนําหนิคนรักไม่เป็นดั่งใจเราอย่าไปเพลอทุกลิกับมัน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 แต่ถ้าเราไม่เพลิดเพลินกับความสารเสวนเพราะเรารู้ว่าวันนี้เขาชมพรุ่งนี้ก็อาจจะมีคนดา่าถ้าเราเพลิดเพลินกับความสารเสริญเราก็จะทุกข์เพราะคำตำหนินั้นถ้าไม่อยากทุกข์เพราะคำตำหนิก็อย่าไปเยินดีในคำสารเสริญคาชมพอระวังใจงี้ได้นะเออใครตำหนิเราเราก็รู้ว่ามันเป็นธรรมดาโลกเอาแน่เอานอ น, อนไม่ได้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 เราทำกัรบ้านมาตลอดจกนกระทั่งเราฉลาดพอนะที่จะเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นธรรมนะเปลี่ยนความสูญเสียนั้นให้กลายเป็นอาจารย์หรือว่ากลายเป็นมิรกับเราได้ถึงตอนนั้นเราก็พร้อมนะไม่ไม่ตีโพยตีภายต่อไปอันนี้ก็อยากจะฝากให้พวกเราได้นำะไปพิจารณาให้ถือว่าที่เรามาทำอยู่ในช่วง ห้าหกวันเจวันหรือเดือน2เดือนนี้นะมันก็คือการทำการบ้านเพื่อที่ทำให้เรามีความฉลายความพร้อมที่จะรับมือกับอันตรายหรือว่าเหตุร้ายต่างๆที่จะตามมาถึงแม้วันนี้เราสุขสบายดีอยู่แล้วนะแต่เราไม่ประมาทอย่างที่เขาเรียกว่ายามสงบนะเราฝึกยามศึกเราลบนะ การที่ยามสงบแล้วก็ฝึกซานะพอถึงเวลายามศึกเราก็ลบแต่ว่าอย่างที่ว่านะความเจ็บป่วยความตายเราลบไม่ได้หรอกลบไปทีไลก็แพ้ในที่สุดต้องเปลี่ยนให้เป็นมิตรกับเราดีที่สุดนะหรือเปลี่ยนให้เป็นอาจารย์นะก็พอสมควรแล้วนะครับ